สมาธิกันสักพักหนึ่งรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราทาความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกและนันทีคือความเพลินในอารมณ์ขณะที่จิตไปคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์ พอใจไม่พอใจให้พยายามล่ความเพลินของจิตกลับมาตั้งไว้กับวิหารธรรมเครื่องอยู่ของเราคือกายจะเป็นลมหายใจก็ได้จะเป็นการเคลื่อนไหวเอริบทก็ได้จะเป็นการทํางานในปัจจุบันก็ได้ล้วนเป็นกายยัตาสติทั้งสิ้นเมื่อเราไม่ได้ทํางานอะไร นั่งอยู่เฉยๆเราก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปนั่งสมาธิก็มานั่งละความเพลินนั่นเองทรมานจิตไม่ใช่ไปทรมานกายจิตที่ออกไปแสวงหาอารมณ์รับรู้แล้วก็ให้ละความเพลิน กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยะคตาสติกลับมาตั้งไว้ซึ่งความรู้ในลมหายใจของเราที่พระองค์เปรียบตัวลมหายใจว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเปรียบกายยะคตาสติเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเปรียบลมหายใจเป็นตถาตถาคตวิหาร เป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเป็นพรหมวิหารจิตควรจะมีที่อยู่ที่อยู่ที่สมควรของจิตคืออะไรให้จิตอยู่กับกายให้จิตอยู่กับลมของเรานั่นคือที่อยู่ที่สมควร ให้จิตเข้าไปรับรู้ก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่พระตถาคกก็บอกว่าพระองค์ก็อยู่ด้วยอาณาปานสติสมาธิและเมื่อตรัสรู้แล้วพระถาคตก ก็ยังตราสติกว่าเกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการพระองค์จะจำพรรษาด้วยการอยู่ในวิหารธรรมคืออาณาปานาสติสมาธินั่นแสดงว่าตลอดสมเดือนที่ผู้เจ้าจำพรรษาแทบทุกพรรษาพระองค์จะอยู่ด้วยอาณาปานาสติจิตของพระองค์มารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิหารธรรมเค้ื่อนอยู่ อานาปานาสติเป็นมรรควิธีที่พระองค์สันเสริญด้านอนิสงส์ไว้ดูจะมากที่สุดในบรรดามรรควิธีอื่นๆส่วนการละนันทิจะเป็นมรรควิธีที่พระตถาคตพูดบ่อยมากเราหยิบสองมรรควิธีนี้มา เป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติของเราเพื่อความพ้นทุกข์จิต ท, ที่เปลินไปกับอารมณ์เราก็ละนันทิจากนั้นก็ให้จิตมีที่อยู่ด้วยการอยู่กับลมหายใจของเราหรืออยู่กับกายของเราที่เรียกว่ากายคตาสติอันเดียวกัน พระ ต, ตรรมก็ตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายชื่อว่าเป็นกายานุปัสนาสติปทานหรือเป็นกายยัคตาสตเิเช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าการเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือก็ชื่อว่า เป็นการทำตามคำสอนของพระศาสดาเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันอาหารของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อทำให้มากจเจริญให้มาก จดจำบทพัญชนะของพระตถาคตสั้นๆไม่เพียงเพียงไม่กี่บทนี้ก็เพียงพอแล้วต่อการประพฤติปฏิบัติของเราในการบรรลุถึงมรรคผลวิพานในการพ้นทุกข์แต่ถ้าใครมีธรรมชาติแห่งความทรงจำที่ดี สามารถจำได้มากก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดพระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อความตั้งมั่นแห่งพระสัธรรมเรียกว่าเป็นผู้พอตัวเพื่อตัวเองและเป็นผู้พอตัวเพื่อผู้อื่นด้วยอีกเหมือนกัน ก็ให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกอุปกรณ์มีอยู่ในกายของเราแล้วอาศัยกายอาศัยจิตที่มาร้หลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ มีเวลาระลึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ให้พยายามเจริญอาณาปาณสติอย่างน้อยวันละสามเวลาที่พระตถาคตบอกเธอควรทำสมาธิวันละสามเวลาเช้ากลางวันและเย็นจะเป็น5นาที10นาทีก็ได้หรือใครมีเวลามากกว่านั้นก็จะเป็นการดี และนันทิในอารมณ์ต่างๆและความเพลินในอารมณ์ต่างๆเราได้ยินได้ฟังมาว่าจิตเป็นอนัตตาจิตควบคุมไม่ได้ เราฟังตามตามกันไปอย่างเดียวหรือว่ามีการตรวจสอบด้วยตนเองให้รู้เป็นปัจจตังวิธีตรวจสอบวิธีปฏิบัติเราตถาคตจึงให้นำจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายของเรา ที่เรียกว่ากายยัตาสติซึ่งจะเป็นธาตุลมก็ได้ธาตุดินก็ได้การรู้ตามการเคลื่อนไหวอิริยบทการรู้การทำงานในปัจจุบันการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราก็ล้วนเป็นกายยัตาสติหรือเป็นกายานุปัสนาสติปฐานทั้งนั้น คือให้จิตอาศัยเสาเขื่อนเสาหลักคือกายในการตั้งอาศัยเพื่อตรวจสอบความจริงว่าเราสั่งจิตได้จริงหรือไม่จิตนี้เป็นของเราหรือไม่จิตนี้ทำงานอย่างไรจิตนี้รับรู้อะไรได้บ้าง สัจจะความจริงจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราตั้งรู้ลมหายใจอยู่เฉยๆจิตจะมีอาการนิ่งบ้างอยู่กับลมเคลื่อนไหวบ้างเกิดดับไปสู่อารมณ์ต่างๆเพลินนานบ้าง เพลินไม่นานบ้างหน้าที่ของเราคือละความเพลินละนันทินั่นเองนันทิแปลว่าความเพลินการละนันทิคือความเพลินได้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีสตินั่นเองมีการระลึกได้ แต่ต้องกลับมาที่ปัจจุบันคือกายของเราหรือลมหายใจถ้าลักความเพลินในอารมณ์หนึ่งแล้วกลับไปเพลินในอารมณ์อื่นต่อไปก็ยังเรียกว่ามีนันทีมีความเพลินอยู่ไม่กลับมาสู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อละนันทีแล้วให้กลับมาที่เสาเขืนเสาหลักของจิต คือกายของเรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้ได้ประโยชน์ตรงนี้นการที่ภิกษุเข้ามาบวชการที่ฆลาวาดเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาเกี่ยวข้องกับสมณนะ ผู้รู้พระธถาคตก็บอกว่าเพื่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมเพื่อให้ได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้จะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาประโยชน์เท่านี้ก็มากมายมหาศาลแล้วเพราะอนุสาสนี อนุสาสนังอนุศาสตร์หรือคําสอนเมื่อผู้ได้ยินได้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะสามารถทําจิตของตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องรู้จักการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากสถานที่ หรือบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบุคคลใดทำไม่ดีไม่ถูกต้องสถานที่ไม่งดงามไม่สัพปะยะอันนั้นก็ปล่อยวางไปก่อนเรามาเกี่ยวข้องกับบุคคลกับสถานที่นี้เพื่ออะไรเพื่อได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้อง เพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและได้ผลคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเพื่อมรักผลนิพพานใครจะเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอย่าไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างมากทุกคนต้องแก้ไขตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองอย่าเอาจิตไปคอย แก้ไขคนอื่นหรือเพ่งโทษคนอื่นที่พระตถ า, าคตบอกว่าคอยจ้องจับผิดนะบุคคลอื่นเราจ้องจับผิดไปก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้ตัวเองไม่พอใจไม่สบายใจมองว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่สัปปายะ รัฐธารมจึงให้แก้ไขตนเองพึ่งตนและพึ่งธรรมะนะเขาไม่ได้มาทุบตีเราเขาไม่ได้มาด่าว่าเรานะก็เอาละนะเราอยู่เราไปปฏิบัติเราไปฟังธรรมไปนะต่างคนต่างเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้กับตัวเองในสังคมในโลกไม่มีใครสามารถได้ความพอใจทุกอย่างได้ตลอดทั้งชีวิตต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าลงมาก็ล้นมีข้อผิดพลาดทั้งสิ้น จะมากหรือน้อยเท่านั้นพระสารีบุตรผู้เลิศทางปัญญาก็เคยถูกโจทย์ถูกตำหนิหลายครั้งหลายคราวพระอระหันต์เองก็เคยคิดผิดพูดผิดทำผิดพระมหากรัปิณนะคิดว่าตนเองเป็นพระอระหันต์ไม่ต้องไปลงอุโบสถ ซึ่งมันก็มีความถูกต้องระดับหนึ่งเพราะเขาเป็นผู้บ่อยสุดแล้วเขาไม่มีกายวาจาที่จะผิดบกพร่องเขาก็ถูกระดับหนึ่งแต่พอพระตถาคตทราบความคิดก็มาปรากฏ ต, ต่อหน้าพระมหากปินะบอกว่าเธอจงไปลงอุโบสถเธอไม่ไปลงไม่ได้ สินอภิสมาจารระตถาคตบอกว่าพระโสดาสกิทาคานาคาพระละหาหันก็ยังบกพร่องได้เพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่าแล้วสิ่งที่พระตถาคตบัญญัติถ้าทุกคนไม่ช่วยกันรักษา มันก็จะเป็นเหตุเสื่อมรัะตะถาคตจึงต้องมาคอยแก้ไขในสิ่งที่สาวกอาจจะกระทำผิดพลาดซึ่งความผิดพลาดนั้นอาจจะเกิดจากพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกท า, าคามีพระโสดาบันหรือภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ ภูมิความรู้ของพระตถาคตเปรียบเหมือนขุมทรัพย์อันใหญ่โตมีมากมายมหาศาลอยู่ที่ว่าเรามีภูมิปัญญารู้จักเข้าไปเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์หรือไม่โดยไม่ต้องวุ่นวายใจกับอุปสรรครอบข้างฟันฝ่าไป เพียนไปพยายามไปแต่ละคนก็จะเก็บเกี่ยวไปได้ตามภูมิปัญญาตามสติปัญญาความสามารถของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลามาประพฤติปฏิบัติก็ให้ตั้งใจ ว่าเรามาเอาคําสอนของพระาศาสดาเอาคําสอนของพระตถาคตตัวเราเองจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจทํากิจข้อวัด ต, ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระาศาสดา ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนเหล่าอื่นแต่ละคนก็ทําตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนตามสติปัญญาตามกําลังความสามารถตามความถนัดเพียงเท่านีน้ตนเองก็จะได้ประโยชน์สังคมก็จะได้ประโยชน์ หมู่คณะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมหาชนเป็นอันมากก็จะได้ประโยชน์จากหมู่คณะที่มุ่งมาประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธวจนะศา ส, สนาก็จะตั้งมั่นมั่นคง ดำรงอยู่ได้นานนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อดวงจิตทั้งหลายนะต่อมนุษย์เทวดาทั้งหลายที่เกิดมาในภายหลังนะอนุชนรุ่นหลังนะก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะจากคำสอนที่ไม่มีบุคคลใดในโลกได้ถ่ายทอดบอกสอนไว้นะเว้นแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เราบรรดาสาวกทั้งหลายผู้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าในคำสอนของพระองค์ก็ช่วยกันประคับประคองด้วยการเข้าไปศึกษานำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยถ่ายทอดต่อไป